<c oughs> ขนอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยขกัตพระอาจารย์ทรงศิลป์เพื่อนสะทว์ธรรมทุกท่านเจริญธรรมมัชฌีและญาติธรรมทุกท่านนั่งสบายๆเนาะชาวเนกรู้สึกอากาศค่อนข้างจะหนาวเนนั่งแล้ว ย, ยังรู้สึกตัวสั่นๆมันหนาวขนาดเอาผ้ามาคุมก็ยังรู้สึกหนาวเลยเนาะเนมในมันก็เป็นเป็นความเปลี่ยนแปลงเนาะอจากหน้าฝนเข้าสู่หน้าหนาวนะ มันก็เรียกว่าคนเรานะมันร่างกายต้องเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นมันก็อาจจะไม่สบายได้เนาะตรงนี้ก็ถึงว่าเออนั่นแหละอย่างที่เราสดหมดมาแล้วนั่หละมีแต่มีแต่ความทุกข์เท่านั้นนะค <c oughs> วามเปลี่ยนแปลงมันเป็นความทุกข์ใช่ไหมจากอากาศต่างๆเนี่ยเป็นความหนาวร่างกายก็โกครคภัยไข้เจ็บเอจเบียนเนาะ <c oughs> ก็เลยตรงนี้ก็คือความจริงที่พระเจ้าได้ส่งแสดงไว้นะมีแต่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั่นแหละ มันหลีกเรียกไม่พ้นเนาะมันมันจึงต้องว่า <c oughs> เราจะทําอย่างไรจรึงจะพ้นจากความทุกข์จริงๆเนาะเ <c oughs> มื่อกี้ได้สวดบทหนึ่งที่ว่าอะตะถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกนะแต่ว่าเราต้องทําความเพียรด้วยตัวเองอันเนี้ยก็คือพระเจ้านั้นท่านเป็นผู้ที่ชี้ทางให้เราเดินเนาะอยู่ที่ว่าเราจะเดินตามท่านไหมนะตรงเนี้ยคือประเด็นสําคัญในพระศาสนา เราจะเห็นว่าคนที่เดินตามตามทางที่พระเจ้าชี้เนี่ยมีน้อยมากชาวพุทธเนี่ยมีมากแต่ว่าที่เข้ามาปฏิบัติธรรมจริงๆนะหรือว่าปฏิบัติเพื่มความพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยมีน้อยนะมีมีน้อยมากนะ ม, นมันจริงว่าถ้าเราเดินตามท่านเนี่ยเราจะได้เดินตามหนทางที่ถูกต้องอยู่ที่ว่าเราจะเดินตามทางท่านไหมเนาะท่าชีไว้ในสติปัฏฐานสี่นะที่ได้สวดไป เมื่อวันสองวันก่อนนะท่บอกว่าให้ให้เรานะรู้จักในกายเวทนาจิตธรรมนะก็คือเริ่มที่กายนี่แหละยืนเดินนั่งนอนรู้ไหมนะยืนรั้วยืนเดินรั้วเดินนั่งร้วนั่งนอนรั้วนอนเนะี่ยตรงนี้เป็นประเด็นที่เรียกว่าท่านให้เรารู้ในตรงนี้ก่อนนะก็มีสมัยหนึ่งก็มีพรามก็ได้ได้ถามท่านว่าท่านล่วงความทุกข์ได้อย่างไร พระพุทธองค์บอกว่าตถาคตยืนเดินนั่งนอนพราหมณ์ก็บอกว่าอรู้สึกยิ้มยอ่อบอกว่าชาวบ้านเขาก็ทําเช่นนั้นเหมือนกันพระพุทธองค์บอกว่าไม่เหมือนกันออชาวบ้านเขาก็ไม่รู้ <c oughs> ในสิ่งเหล่านั้นจริงๆหรอก <c oughs> แต่ตถาคตรู้ยืนก็รู้ยื น, ยนเดินก็รู้เดินนั่งก็รู้นั่งนอนก็รู้นอนเ <c oughs> ช่นเนี้ชาวบ้านก็รู้ไหม <c oughs> ตามบอกว่าชาวบ้านก็ไม่รู้นะไม่ไม่รู้หรอกอนะก็คือตรงเนี่ยชาวบ้านก็จะไม่รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่เนา ะ, นะทำอะไรอยู่ยืนเดินนั่งนอนแค่นี้ก็ไม่รู้ทั้งๆั้ ท, ที่เราก็ทําอยู่นี้ตลอดชีวิตอยู่แล้วเนาะเช่นเราเราเดินนะเราเดินเนะีเราจะไปที่ทํางานแล้วก็คิดแล้วออจะไปที่ทํางานทันไหมเดี๋ยวรถจะติดไหมนะเย็นนี้จะไปกินข้าวที่ไหนดี จะโทรศัพท์หาเพื่อนช่วงไหนก็คือเราเดินไปก็คิดไปแต่เราก็ไม่รู้กำลังเดินเนาะนี่ก็คือความจริงที่เป็นเป็นสิ่งเราพิสูจน์ได้ตัวตัวเองว่าเราไม่รู้หรอกว่าเรากําลังเดินนะหรือเรานั่งเราก็ไม่รู้เรากำลังนั่งเนาะนอกจากว่าเออขณะนี้เรารู้ไม่ว่าเรานั่งเนะี่ยมันจึงต้องกลับมารู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่เนาะแล้วท่านก็ได้ทรงบอกอีกว่า เ, าเลียวซ้ายแลกขวาเดินหน้าถอยหลังคู่แขนเหยียดแขน ทรงจีวสังคาติดื่มลิ้มกินเคี้ยวอุจละปั ส, สวะก็ให้รู้สึกตัวในการก ร, ระทําเช่นนั้นเนาะก็คือให้กลับมารู้อยู่กับปัจจุบันนี่แหละว่ากาลังทําอะไรอยู่ใช่ไหมขณะนี้นะบางคนอาจจ ะ, ะพลิกมือความพลิกมือหงายหรื อ, อครึงนิ้วเนาะอันนี้เราเราก็กลับมารู้สึกตัวในตรงนั้นได้ไหมนะตรงนี้ก็คือกลับมาอยู่กับปัจจุบันใช่ไหม รู้ในบทย่อยหรือบทใหญ่เนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าให้กลับมารู้ในในทางกายเรานี่แหละใช่ไหมพระเจทธเป็นเป็ น, ปนแต่เพียงผู้บอกใช่ไหมแต่ว่าความเพียรเป็นกิจที่เราต้องทําดยตัวเองตรงเนี้เราเราได้ทําทําตามที่พระเจ้าบอกหรื อ, อยังเห็นไหมเพราะว่าถ้าเรานั่งนิ่งๆ่งนั่งเฉยเฉยนะมันก็เกิดภาวะก็คือความเผลอไปนะกายไหลเข้าไปในความคิดอนะคือจิตเราเนี่ยมันมันมันจะคิดอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะเราห้ามก็ไม่ได้หรอก บอกว่าหยุดคิดนะหยุดคิด5นาทีได้ไหมหยุดไม่ได้ <c oughs> ขนาดคนนั่งสมาธินะนั่งด้วยความตั้งใจเหมือนหยุ่คิดมันก็ยังไม่ไม่ยอมหยุดคิดเลยนะอะขนาดนั่งนิง่งๆแล้วมันไม่คิดอะไรก็ยังคิดเลยว่ามันไม่คิดอะไรเห็นไหมมันก็คิดตลอดเวลานั่นแหละเห็นไหมก็คือถ้าเรานั่งนิง่งๆีปุ๊บมันก็จะคิดไปเรื่อยๆนั่นแหละมันก็เป็นความหลงไปอันนี้นะนี่แหละเป็นหนทางที่รเราพระเจ้าไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้น แต่ท่านให้กลับมารู้ <MU> นะกลับมารู้รู้อะไรก็ตอนแรกก็รู้กายก่อนมารู้กายนะรู้กายแล้วก็สามารถเออสังเกตความคิดได้นี่แหละเป็นสิ่งที่ว่าพระพุทเจ้าให้ต้องการให้เรารู้ตรงนี้คือรู้กายแล้วรู้ใจรู้กายนะรู้กายกับรู้ใจนี่แหละเป็นเป็นสิ่งที่ว่าพระพุทเจ้าต้องการให้เรารู้นะเมื่อเรารู้กายแล้วอะไรสิ่งที่ใดที่เกิดขึ้นในกายเราก็รู้ทันนะหรือสิ่งใดที่เกิดขึ้นในใจเราก็รู้ทันนะอย่างที่หลวงพ่อคำเกียรตินก็บอก ดูกายเห็นจิตนะเมื่อเราเราดูกายนะเราตามรู้กายนะยืนเดินนั่งนอนต่างๆเหล่านี้หรือคู่แขนเหยียดแขนหรือในบทประจําบันใชนะ่ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำซักผ้าถูบ้านาหวาดพื้นนะทํากิจวัตรต่างๆก็กลับมารู้กายนะตรงนี้เมื่อเรา ดูกายก็คือเรารู้กายเราก็เห็นจิตมีความนึกคิดเราก็รู้ทันนะตอนนี้ถ้าเราสังเกตนะถ้าเรารู้สึกตัวได้จริงๆแล้วเนี่ยจากเมื่อก่อนที่ความคิดมันก็คิดไปไกลๆยาวๆล้วก็จะกลับมารู้ทันได้เร็วมันคิดไปเราก็รู้แล้วคิดเราก็รู้แล้วนะตรงนี้มันมันเป็นสิ่งที่ว่ามันมันเริ่มไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนมันจะคิดไปยาวเราก็เข้าไปในความคิดแต่ตอนหลังเมื่อเรารู้สึกในทางกายจะทาอะไรก็ได้นะ ยกมือสร้างยองบะก็ได้หรือว่าเดินจงกรมหรือจะพลิกมือไปอะไรก็แล้วแต่เราจะสังเกตได้เออตอนนี้เราคิดแล้วนะมันจะเห็นเออเมื่อกี้มันคิดไปแล้วนะพอเรารู้ทันมันก็ดับไปนะดับไปหรือเป็นความคิดที่เราว่ามันไม่ดับก็จริงมันเป็นเรื่องที่มันมันต้องคิดต่อเราก็เริ่มรู้ทันเออขณะนี้กำลังคิดอยู่นะเราก็เห็นความคิดได้นะตรงนี้มันก็เลยเข้าเข้าสู่ประเด็นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตักไว้ในข้อจิตตานุปัสสนาติปธิฐานบอกว่า จิตมีราคะก็ร hmm. ู say, uh ้มีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะก็รู้มีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะจิตตั้งมั่นก็รู้จิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้จิตไม่ตั้งมั่นเนาะก็คือเห็นเห็นจิตเขาแสดงอาการต่างๆให้เราเห็นนะตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ามันเกิดขึ้นมาจากการที่เราสามารถที่จะรู้กายรู้กายแล้วมันจะไปสังเกตจิตใจเราได้นะ เราไม่ต้อไปคอยดูขณะนี้มีความคิดไหมขณะนี้มีความโกรธไหมขณะนี้มีความรักไหมตรงนั้นเมื่อเราไปไปจังตั้งใจดูแล้วมันจะไปเพ่งเอานะความคิดมันก็ไม่เกิดความโกรธมันก็ไม่เกิ ด, กกดหรอกนะอันนี้หลวงพ่อเทียนก็เคยบอกว่านะก็คืออย่าไปกลางล่มนะผลยังไม่ตกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปกลางล่มให้ผลมันตกก่อนแล้วค่อยกลางล่มเนาะตรงนี้ครูบาอาจารย์ก็บอกไว้ในตรงนี้นะก็คือยังไม่มีความคิดก็ยังไม่ต้องไปดูเขา หรือไม่มีความโกรธก็ยังไม่ต้องไปคอยดูเขาแต่ว่าให้ตามรู้ที่หลังตามรู้กายตามรู้ใจนะไม่ได้ไปไปไปเพ่งกายไปเพ่งใจแต่เราก็ตามรู้ไปนะใจนี่เป็นเรื่องที่เราต้องตามรู้นะมีความคิดแล้วก็ตามรู้ไปมีความโกรธมีความรักความชังแล้วก็ตามรู้ไปไม่ต้องไปดักหน้าคอยรู้นะนะแต่ว่ากายเนี่ยเราก็อยู่กับปัจจุบันรู้ในขณะปัจจุบันนั่นเองนะตอนนี้เรานั่งเราก็ไม่ไปคิดว่าเรากาลังนั่ง แต่จัยมันเป็นความจริงใช่ไหมมันเป็นความจริงในขณะปัจจุบันเราไม่ต้องใส่ความคิดอะไรเลยเพราะเราก็อาจากความคิดได้นะหรือเราพลิกมือคว่ำพลิกมือหงายก็ไม่ต้องคิดว่าเอขณะนี้กำลังพลิกมือคว่ำพลิกมือหงายแต่มันคือความจริงในปัจจุบันก็คือเรารู้ในปัจจุบั ai, นนั่นเองเนาะหรือการได้ยินเสียงพระพูดเราก็ไม่ต้องคิดว่ากําลังได้ยินแต่มันคือปัจจุบันนะเราใส่การที่เราอยู่ปัจจุบันนะี้เราก็รู้ว่าขณะนี้ได้ยินจริงๆนะมันเป็นการอยู่ปัจจุบันที่สามารถรู้ได้ในขณะนี้ เพราะสิ่งใดที่เกิดขึ้นในในกายในขณะนี้เราก็รู้ได้ในปัจจุบันทันทะีเนาะปัจจุบันนั่นคือความจริงที่เราออกจากความคิดไดใช่ไหมออกจากความคิดในการต้องคิดเออขณะนี้กําลังนั่งกําลังนอนแตเนเน่เป็นความจริงนะเมื่อเราออกจากความคิดมาอยู่ปัจจุบันมันจะเป็นการออกจากความหลงมาเป็นความรู้แทนนะพระนารมณ์พระคำเกณฑ์บอกว่าให้เปลี่นหลงเป็นรู้นี่แหละคือประเด็นที่เราท่านต้องการในระดับต้ น, ตน เพราะเราจะหลงอยู ok ่ประจำอยู่แล like, so ้วนะหลงไปในลมต่างๆบ้างหลงในความคิดบ้างความโลภความโกรธความหลงต่างๆเราเนี่ยท่านให้เปลี่ยนเป็นจากหลงมารู้นะรู้ก็คือกลับมารู้กายก่อนนะกลับมารู้สึกตัวนะมีความคิดก็กลับมารู้สึกตัวมีความโกรธก็กลับมารู้สึกตัวมีความรักก็กลับมารู้สึกตัวมีความเกลียดก็กลับมารู้สึกตัว ต่างๆ okay. เหล่านี้อารมณ์ต่างๆเหล่านี้ก็กลับมารู้สึกตัวก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะเมื่ออยู่ปัจจุบันแล้วอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นมันก็กลายเป็นของที่เรียกว่าเป็นอดีตหรือเป็นอนาคตไปนะมันไม่ได้อยู่ปัจจุบันจริงๆเพราะเราเมื่อกลับมาอยู่ปัจจุบันแล้วอารมณ์ต่างๆคืออดีตอนาคตมันมาไม่ได้ความคิดมันไม่ได้คิดอยู่ในปัจจุบันอะไรเลยสมมติมันจะคิดเป็นเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตเท่านั้นเองนะนั่นแหละคือความหลงนะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราก็ร เมื่อรู้ในทางกายเช่นอ่าอีบทต่างๆที่เรารู้ปั๊บเนี่ยมันจะกลับมาไปบันทันทีไม่ว่าจะทําอะไรอยู่นะกินข้าวกลับมารู้มันจะรู้ตอนนี้กำลังเคี้ยวเคียวๆเคียวมันก็รู้ไปใช่ไหมแต่ถ้าเรามันลืมการเคี้ยวปุ๊มันจะเข้าไปคิดทันทีเลยหรือเข้าไปติดโอ้อร่อยนะต่างๆเหล่านี้มันก็เข้าไปในอารมณ์ต่างๆทั้งนั้นมันก็ไม่รู้ว่าขณะนี้กำลังทําอะไรอยู่จริงๆใช่ไหมมาต้นที่เรียกว่าการกลับมาอยู่ปัจจุบันนี้แหละมันเป็นหนทางที่เรกว่าเราสามารถที่จะก้าวไปมองเห็นจิตใจได้ แต่นาดาเดีวยวกันหลวงพระเถรบอกว่าเราก็ไม่ติดในปัจจุบันเด็กนะก็อใสายเป็นเครื่องอยู่เครื่องรู้เท่านั้นเองแต่ก็ไม่ต้องมาคอยติดว่าต้องเป็นปัจจุบันต้องเป็นปัจจุบันอันนั้นเป็นความติดความยึดติดมาแต่เราเอาศัยความปัจจุบันเนี่ยเป็นการก้าวเข้าไปที่จะเห็นใจเห็นจิตใจเรานะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นจิตใจเราแล้วเช่นเรามีความโกรธมีความรักมีความชังหรือมีความคิดเราจะทำอย่างไรต่อ นะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้รู้เฉยๆรู้ซื่อๆนี่แหละก็คือเราสามารถที่จะรู้เฉยๆรู้ซื่อๆได้ไหมใช่ไหมถ้าเรารู้เฉยๆได้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออมันก็เป็นเช่นนั้นเองนะมันก็ไปบังคับเขาไม่ได้หรอกเขาๆๆมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปบังคับบัญชาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นเวทนาเวทนาก็คื อ, อเป็นความสุขบ้างเป็นความทุกข์บ้างหรือความเฉยๆบ้างนะเรียกว่าสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกข์มาสุขเวทนา ตรงนี้ท่านบอกว่าเวทนาเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ ต, ชตนบังคับบัญชาไม่ได้นะเป็นแค่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็คือเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาเราก็ไม่ไปให้ค่ากับเขาเราก็เพียงแค่รู้ในเวทนาเท่านั้นเองนะมันก็เห็นเออเวทนาเกิดขึ้นนะมีความสุขมีความทุกข์เราก็รู้เฉยๆมันไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะตรงนี้จากการที่เรารู้เฉยเราก็จะเห็นสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือ สภาวธรรมที่มันเกิดระดับนะเห็นเออความสุขหรือความชอบใจความดีใจมันมาแล้วก็ไปนะมันก็มาแล้วไปนะก็คือมันแสดงถึงความเกิดและความดับหรือความทุกข์ใจต่างๆที่เกิดขึ้นนะมีความไม่พอใจความโกรธความเครียดความเหงาความกลัวเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเนี่ยมันคือในส่งแห่งการรู้เฉยๆนะแต่เราไปบังคับนะเช่นมีความคิดก็จัดการเลยให้มันไม่ไม่คิดนะ มีความโกรธก็จัดการเขาเลยให้มันไม่โกรธนะมีความรักก็จัดการเขาเลยให้มันไม่รักนะอันเนี้ยเขาเลยว่าไม่ได้รู้เฉยๆไม่ได้รู้ซื่อซื่อก็คือเราไปจัดการเขาแล้วนะไปเปลี่ยนแปลงเขานะไปกดขี่เขาไปบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการนะตรงนี้เราก็เห็นสภาพว่าเออถ้าเรารู้เฉยเฉยได้ไหมรู้เฉยเนี่แหละมันก็คือเราสามารถที่จะผ่านเวทนาได้ใช่ไหมต่อไปนั้นเราก็จะเข้ามาสู่ที่เรียกว่าพระเจ้าก็บอกว่าเราเห็นจิตไหมใช่ไหม ท่านไม่ได้บอกว่ามีราคาก็ให้ละราคาแต่ท่านบอกว่ามีราคาก็รู้ว่ามีราคาไม่มีราคาก็รู้ไม่มีราคามีโทสะก็รู้มีโทสะไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะไม่ได้บอกไปละราคาหรือไปละโทสะนี่มันก็คือประเด็นที่รู้เฉยๆนั่นเองใช่ไหมเนี่ยถ้าเราเข้าใจตามนี้ท่านวิเจ้าบอกตถาคตเป็นแต่เพีงพิบอกเนาะเราก็ดําเนินตามท่านก็คือเรารู้เฉยๆเนี่ยเราเห็นราคะเขาใจมีราคะก็รู้มีราคะ แล้วมันจะแสดงอะไรมันก็จะแสดงทำมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือสภาวะที่เขาเกิดระดับนั่นเองน ะ, ะทำมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็มีหลายอย่างเช่นให้รู้อริยสัจสี่นะรู้ขันห้ารู้นิวรห้านะแล้วก็รู้อายุธนนาหรู้โพชฌงเจ็เป็นต้นก็คือให้เห็นสภาวะธรรมเหล่านั้นเช่นความง่วงต่างๆนี่ก็เป็นนิวรห้5ต่างๆหรืออารมณ์ทั้งหลาย นะความเบื่อความหน่ายความพยาบาทนะอุทักจะกูจะความฟุ้งซ่านทั้งหลายมันเห็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นเฉยๆมันก็จะแสดงความเกิดความดับเราเห็นนั่นเองนะกายเราเห็นความเกิดและความดับของสภาวธรรมนั่นแหละก็คือเราเห็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็เดินไปตามกระบวนการกายเวทนาจิตธรรมนะโดยการที่เราเริ่มต้นที่กายเท่านั้นเองนะเมื่อเรารู้กายแล้วเนี่ยมันจะเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมได้ ทุกสภาวธรรมนะเราไม่ต้องไปคอยอประวัติทุกๆสภาวธรรมก็ได้แค่เรากลับมารู้สึกตัวที่กายเนี่ยทุกสภาวธรรมมันก็จะปรากฏขึ้นแล้วให้เราเห็นนะเราก็เพียงดต่รู้มันบ่อยๆนะเราไม่ต้องไปคอยรู้ยาวๆนะอันนี้บางคนก็ไปคอยรู้ยาวๆก็มีนะบางทีเดินจมกลมก็ไปไปเพ่งเงานะรู้ตลอดทุกๆก้าวเลยจิตไม่ไปไหนเลยนะอันนี้ <c oughs> ทําไปทํามามันก็รู้สึกว่าเออ มันก็รู้สึกตัวดีนะมันก็รู้ได้แนบแน่นหรือว่าเดิน10นาทีไม่ได้ไปไหนเลยแต่เริ่มสังเกตแล้วมันทำไมมันหนักมันหนักมันแน่นมันตึงมันเครียดมันรู้สึกมันไม่ได้เป็นการผ่อนคลายจริงๆนะมันไม่ได้ว่าจิตมันตั้งมั่นในการเดินจริงๆแต่มันไปบังคับเขาคือจิตคนเรามันไม่ชอบการบังคับนะพรบังคับมันจะเครียดมันก็จะตึงมันก็จะแน่นนี่แหละตรงเนี้มันมันเกิดจากการที่เราไปตั้งใจมากเกินไปเพราะฉะนั้น คุูบาอาจารย์เลยบอกว่าอย่าไปรูป้ยาแบบเหล็กเส้นนะนะอย่าไปรูป้แบบเหล็กเส้นก็คือรู้ยาวๆแต่ท่านให้เรารูบ้บ่อยนะรู้บ่อยก็คือรู้เป็นลูกโซ่นั่นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าให้ปฏิบัติธรรมให้ต่อเนื่องลูกโซ่ก็คือให้เรารู้บ่อยนะรู้บ่อยคือรู้แล้วก็หลงได้รู้แล้วมันก็เผลอได้เหมือนกันแต่ว่าเราก็กลับมารู้ใหม่นี่แหละตรงนี้ก็จะเป็นเป็นลูกโซ่เพราะรู้แบบเป็นครั้งๆเป็นจุดๆเป็นขณะขณะ จิตที่รู้เป็นลูกโซ่มันก็จะสบายขึ้นนะมันจะสบายเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าเราเคยบัดทํามใหม่ๆนะแม้แต่ในสมาธิเราจะรู้ยาวมากเลยบางคนเดิน1บึ่งมันลังชั่วโมงหนึงเลยหนึ่งันลังจิตไม่ได้ไปไหนเลยมันเครียดมันตึงมันนั่นใช่ไหมอันนี้มันจะรู้สึกมันไม่สบายกายไม่สบายตัวเท่าไหร่นะแต่เราเดินสบายๆก็คือเราเดินเล่นๆแต่ก็รู้สึกตัวไปด้วยนะเราจะสังเกตเดินสบายๆเดินเล่นๆรู้เป็นขณะขณะ <C oughs> จิตกายสัมผัสล้วก็รู้ทันกายสัมผัสพื้นก็รู้ทันรู้แล้วก็เร า, า ก, ก, ก, ก็ไม่ไดไปประคองตัวรู้เดินสบายๆนะอันนี้เรารู้แค่สั้นๆ น, นะจิตมันก็สบายนะมันก็เผลอได้เมื่อมันเผลอได้มันเผลอปุ๊บเราก็รู้ทันเออมันเผลอไปแล้วนะกลับมารู้ตัวใหม่เดี๋ยวเดินๆไปสักพักมันก็เผลอไปคิดแล้วก็กลับมารู้สึกตัวใหม่เนี่ยมันคือเ ป, เป็นทักษะในการกลับมารู้สึกตัวนะมันจะตรงกับประเด็นที่ว่า กลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวก็คือมันเผลอแล้วก็กลับมารู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นการไปเขยา่าทารู้ทารู้มันจะโตขึ้นก็ต่อเมื่อมันมันรู้ไปบ่อยนั่นเองนะไม่ใช่มันยาวๆอันนั้นกลายเป็นสมถะคือมันไปจมเปน็นนั่นไปแข็งไปตึงแล้วมันก็กลายเป็นแนบนั่นไปนะเป็นสมถะหมดเลยนะกลายเป็นความสงบนะ การที่เขากลับมารู้ว้บ่อยนะเผลอไปเดินเดินไปเผลอคิดไปไม่เป็นไรไม่ไปให้ค่าความคิดกลับมารู้สึกตัวใหม่กลับมารู้ใหม่จิตมันก็จะตื่นรู้ขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อจิตตื่นรู้เขาเรียกว่าตรงนี้จิตมันจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้เห็นไม่เป็นผู้เป็นนะมันจะเข้าประเด็นที่หลวงพ่อคาเคียวเนี่ยบอกว่าเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะเพราะส่วนมากเราจะเป็นผู้เป็นนะเป็นผู้เป็นก็คือเป็นผู้เป็นในอารมณ์ต่างๆเป็นผู้รักเป็นผู้ชังเป็นผู้โกรธเป็นผู้คิด นะตรงนี้เพราะเราไม่ได้เห็นสิ่งต่างตามความเป็นจริงนะก็เคยมีนักปฏบัติคนหนึ่งก็ถามหลวงพ่อคำคิมว่าวันนี้หนูมีความเครียดมากหลวงพ่อบอกว่าเป็นนักกรรมฐานต้องถามใหม่ก็เลยถามว่าวันนี้หนูเห็นความเครียดหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยใช้ได้แล้วนะก็คือเราเห็นเขาไหมใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อเรารู้สึกตัวเราจะเห็นว่าเออกายมันก็เดินนะเราก็เป็นผู้ดูกายมันเดิน ใจมันคิดแล้วก็เป็นผู้ดูใจมันคิดเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นผู้ดูไม่ผู้เป็นแล้วมันแยกมาระหว่างาความเป็นผู้เป็นมาเป็นผู้ดูมันแยกกันนะตรงนี้เป็นการเดินปัญญาในการที่เราว่ามันแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์แยกกายแยกใจให้เราเห็นเออกายก็เดินไปแล้วก็สังเกตกายเขาเมื่อมีความคิดแล้วก็สังเกตความคิดมันก็มีสิ่งที่ถูกรู้ก็คือกาย ที่ถูกใจมันรู้หรือความคิดก็เป็นสิ่งถูกรู้มีใจเป็นผู้รู้มันก็แยกกันก็เห็นว่ามันมันแยกกันนะกายก็ส่วนหนึ่งผู้รู้ก็ส่วนหนึ่งหรือความคิดก็ส่วนหนึ่งความรู้ก็ส่วนหนึ่งก็เห็นได้กายมันก็เดินไปใจมันก็คิดไปแต่มีผู้รู้อยู่นะมันก็เป็นการแยกมาแล้วว่าเป็นต้งนี้นี่ก็คือกายก็คือรูปมันเดินนะหรือมันคิดก็คือนามมันคิดนะแต่ใจมันผู้รู้อยู่ มันก็เลยมีการแยกออกมาให้เราเห็นเออแยกกายแยกใจแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันออกมาเราก็สังเกตในตรงนี้ไปเป็นผู้ดูไม่ผู้เป็นนะอีกหน่อยพอมีความโกรธล้วก็เห็นความโกรธโอ้มีความโกรธนะไม่ใช่เราโกรธนะเราเป็นผู้รูค้ความโกรธความโกรธมันก็เลยดับไปหายไปด้วยมนเบาลงเพราะว่าอค่ามันน้อยลงแต่เมื่อใดที่เป็นเราโกรธมันก็ตั้งแล้วก็ดุนแรงเออเราโกรธนะต้องจัดการกับมันนะหรือต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้ความโกรธดับไป นะหรือว่าต้องไปจัดการกับนะคนที่เขามาทําเราโกรธนะไปแก้แค้นเขาไปด่าเขากลับเนะี่ยมันเป็นสภาวธรรมที่เรียกว่ามันหลงไปนะหลงไปในลมต่างต่างใช่ไหมแต่ถ้เมื่อเราเห็นเออความโกรธเป็นสิ่งถูกรู้นะเราก็สังเกตความโกรธได้เป็นผู้รู้ไปอารมณ์ต่างมันก็เบาไปเองโดยสภาวธรรมที่ว่ามันไม่ตัวเม่ตนของเราเราเป็นผู้ดูตนเองนะมาสภาวธรรมนั้นมันก็เกิดแล้วก็ดับนะเกิดแล้วก็ดับมาแล้วก็ไปไมีแต่ความไม่เที่ยง เป็นของชั่วคราวนะเป็นของที่เราว่าเราบังคับก็ไม่ได้ใจก็เกิดการปล่อยการวางการไม่ยึดติดนะมันก็เป็นภาวะธรรมที่เราเห็นว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรกับไรที่เต้องไปจัดการอะไรกับมันนะตรงนี้หลวงพ่อคำเขียนก็บอกไว้ว่าการได้เห็นนะเป็นผู้ดูไม่ผู้เป็นนี่แหละเป็นเพชแฆ่งธรรมนะแต่เมื่อใดที่เห็นว่ามันไม่เป็นอะไรกับไรนี่แหละคือมองกุฎแห่งธรรมนะ น, นี่คือมองกุฎที่มันสูงสูงยิ่งเพชแห่งธรรมนะมันก็สามารถที่เรียกว่า ออกจากความเป็นตัวเป็นตนได้ออกจากการให้เป็นตัวเราตัวเขาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันก็เห็นเป็นแค่รูปแคานามที่มันไม่ได้ไปยึดติดกับอะไรมันเป็นภาวะธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามสภาวะของมันเราก็บังคับบัญชาก็ไม่ได้เราก็มีหน้าที่แค่ดูแค่รู้เท่านั้นเองนะตรงนี้มันก็ออกจากความทุกข์ความกําหนัดความยึดมั่นถือมั่นการยึดติดต่างๆว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นตัวตนของเขานั่นซึ่งนําความทุกข์มาให้เราทั้งนั้น เพตาบใดที่ยังมีความยึดมั่นในภาวะธรรมใดๆอยู่มันก็จะมีการดิ้นรนที่เกิดการผักไสหรือเกิดการยึดติดการรักการชังในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นแต่เมื่อใจที่มันเกิดการปล่อยการวางการไม่ยึดติดแล้วสภาวะแห่งการยึดมั่นในการที่เป็นของเราเป็นของเขาเป็นความรักในตัวเราเป็นความรักในตัวเขามันก็หมดไปนี่แหละเป็นหนทางการพ้นทุกข์เนาะเพราะเมื่อใดจิตใจที่เห็นความจริงในกายและใจเช่นนี้จิตก็เริ่มปล่อยเริ่มวางเริ่มยึดติดแล้ว นี่แหละจิตก็จะอิสระพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงนะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือดําเนินตามที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้นะเพราะนั้นพระธรรมกก็เป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นสวมผู้เดินก็คือเราเองอยู่ที่ว่าเราจะเดินตามท่านหรือไม่นะท่านได้วางหนทางไว้แล้วนะถ้าเราไม่เดินตามก็ถือว่าเราก็เสียชาติเกิดมาชาติหนึ่งเพราะฉนั้นการที่เราเกิดมาเพื่ออะไรเราเคยคิดไหมว่าเกิดมาทําไมนะ บางคนก็ไม่ได้คิดอะไรเลยเออเกิดมามีความสุขกพอแล้วก็ใช้ชีวิตมีความสุขเต็มที่แล้วก็บางคนก็เห็นแก่ตัวนะก็กบกบคกยความสุขไม่แต่หาความสุขโดยที่เราว่าไม่ได้คํานึงถึงคนอื่นนะแต่ถ้าเรามีความคิดว่าเราเกิดมาทําไมแล้วเราจะพบว่าเราก็ต้องตายทุกคนแล้วตายเราจะไปไหนนะผลทางแห่งปรตโลกหรือว่าภายหน้าหรือพบหน้านั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งนะถ้าใจเราไม่มีสติ ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานั่นแหละเราจะเป็นคนลงทางแล้วก็จะหลงเวียนว่ายตายเกิดในสังวรไม่มีที่สิ้นสุดนะแต่เรามีปัญญามีสติในปัจจุบันนี้แล้วปัญญาและสติ น, นั้นก็จะนําให้เราพ้นจากความทุกข์ได้นะหนทางต่างๆมันไม่ได้ไกลอยู่ที่ว่าปัจจุบันนี้เราทํำอะไรให้เกิดขึ้นในกายและใจเราต่งางหากเมื่อเราทำไปจจบันดีแล้วนะผลก็ต้องดีแ น, น่นอนนะเพราะนั้นปัจจุบันนี้แหละคือสิ่งเราต้องรู้ต้องเห็นต้องรู้ทันโดยการกลับมารู้สึกตัวนั่นเองเนาะ เพราะนั้นโดยในท้ายสุดนี้ขอรัตนาบรมีคุณพระไตรน้อมนำุกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเล็วพันทุกท่านเทิดแัปเดียวแปปเดียวประเดี๋ยเมื่อกี้มีประโยคหนึ่งก็คือ